50 <Sto sonic> languages. <activities> 12บสเครื่องดื่มน้ำเยะกรดูดิฉันดื่มชาค่ะนานูตีกุฎิอุตเตเนดิฉันดื่มกาแฟค่ะ น้านูกาแฟกุณดื่เต เ, เนดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะน้านูคะนี่จะอยู่ตันีรูคุณหยุเต เ, เคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะนี่นูทีอนหนูนิ่มเบรศัตรูดันเองคุณหยุดทีคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ นี่นู๋กาแฟอันโน่สักเรื่ยดหนึคุยยุติยคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะนี่นูนีรันโน่ไอส์จุ๊ตเคุดยุติยมีงานเลี้ยงที่นี่อิลลี่วุนดูซันตโตชักูตาวิเดคนกำลังดื่มแชมเปนจนกรโลชแชมเปนคุดยุติไดร คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์เจ้าหน้ากุลว่าไวน์มัตต์เบียคุติคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะนี่นู alcohol คุยุตียคุณดื่มวิสกี้ไหมคะนี่นู whisky คุยุตตียคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมคะ นูโค้กอันนูรัมจุติคุริยุติยะดิฉันไม่ชอบแชมเปญนั่นนักเองแชมเปญอิสต้าอิละดิฉันไม่ชอบไวน์นานูไวน์นันนูอิสต้าปัดวูดิละดิฉันไม่ชอบเบียนานูเบียร์นันนอสตดูดิล เด็กอ่อนชอบดื่มนมมักูฮาลันนอิสต้ปัดุตเตเดเด็กชอบดื่มโกโก้และนปปล้ำแอปเปิลมักูโกโก้ ತ าตูเซบินารสสัมหนูอิสต้าปัดุ ต, ตผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุตยีเฮงกัสูคิตรเลมาตูดราคชิรสสั่งลันนู้อิส